ทม่เธอต้องวานทุกคำที่เอ่ยวานใจทำให้เธอต้องสึ่งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบาาอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนตร์ทำให้ใจฉัน อ, อ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดรอ้อนฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่ พราสักครั้งปรบธนาะข้อวอนหยุดนะ่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลาย oh, oh, oh, oh, oh. คนหน้าตาอย่งฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก็บอาการเอาไว้แม่ใจจะสั่นรารัว อยากจะให้นับฟ้าเอ็นดูมาวัดสักตัวดก็ไม่กล้าเอ่ยต่ อ, อไปเมื่อเธอมีเวทมนตทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดรอฉันเคชทางคนอย่างเธอมันออาแต่เพิ่มไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้ง กับหัวใจเอาไงกันดีล่ะ ก, กับความรัก mm hmm. เธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแพ mm ่เ hmm. ต็มเตมพูดตรงๆรง mm hmm. ใจมันตะกอนว่ามันชอบเธอ mm hmm. พอเจอจริงๆได้ใดแต่ยินงงง mm hmm. ให้ทำยังไงใจมันถึงปล่งลง